สวัสดีค่ายาติธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพคะวันนี้ก็คงจะพูดกันถึงเรื่องของมงคลละสูตรที่สี่ว่าด้วยอุดมมงคล38ทีนี้ก็ว่ากันถึงคถาที่9เป็นเรื่องของความเพียรพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจการกระทำนิพพานให้แจ้งว่าเป็นมงคลขออรัธนาพระคุณเจ้าพระอาจารย์ สมทบปรกโมซึ่งวันนี้คงจะต้องสวนทนาธรรมกันต่อนมัม ก, การพระอาจารย์ค่ะเขาจเจริญพรในคาถาที่9้นี่มีอยู่4คาถาหรือ4ี่มงคลน่ในสี่มงคลนั้นก็มีตะโปคือความเพียรเครื่องเผากิเลสนั้นอย่างหนึ่งพรหมจริยังคือพรหมจันทร์นั้นหนึ่งอริยสัจญาณทัศสนังการเห็นอริยสัจหนึ่ง และนิพานน่ะสัจคิริยาการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพานนั้นหนึ่งในมงคลทั้งสีน่นี้มงคลข้อแรกตโปนั้นได้แก่ต บ, บะต บ, บะในที่นั้นเพราะอัตถว่าแผลเผาบาปธรรม ท, ทั้งหลายแผดเผาบาปธรรมนั้นน่ะนะก็หมายถึงว่าความเพียรที่เป็นเครื่องเผาบาปธรรม ท, ทั้งหลายหรือเผากิเลสทั้งหลายนั่นเอง พอพูดถึงในเรื่องของความเพียรหรือในเรื่องของตบะแล้วเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าตบะนี้เนี่ยมีมาก่อนพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นหรือมีตอนสมัยที่พระพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้า ต, ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมาก่อนอรู้ได้อย่างไรก็รู้ได้อย่างพวกศาสนาอื่นนะมีศาสนาฮินดู ศาสน า, าพราหมณ์ในยุคก่อนนั้นน่ะเขาก็มีการบูชายัญกันอันนั้นก็เป็นตบะของเขาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบุคคลที่ประพฤติตบะแบบทรมานร่างกายของตนเองให้แสนสาหัสเียเพื่อที่จะบรรลุโมกะธรรมของเขาการบรรลุความหลุดพ้นของเขาไอ้อย่างนั้นน่ะก็เป็นความเพียรที่นอกเราจะสังเกตได้ว่าพระโรมัศาสนาของเรานั้นน่ะ หลังจากออกสูมหาวิเนสโกรมคือออกบวชเนี่ยตอนนั้นเป็นมหาบุรุษยังไม่ได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะทำความเพียรอยู่หกปีการทรมานร่างกายเป็นต้นเนี่ยความเพียรเครื่องการกระทาทรมานอย่างนั้นก็เป็นตบะเหมือนกันแต่เป็นตบะภายนอกเป็นตบะภายนอกแต่ตบะในพุทธศาสนานั้นเนะ่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บอกว่า ที่ประชุมสงฆ์เมืองราชคลื่นที่บอกว่าขันตีประมังตโปตีติขาขันตีคือความอดกั้นเป็นตบะอย่างยอดฉะนั้นคำว่าตบะที่มาในพระพุทธศาสนานั้นน่ก็หมายถึงว่าเป็นตบะที่ปฏิเสธตบะละทัทธิภายนอกใช่หไหมเป็นเป็นการปฏิเสธลัลทธิภายนอกเพราะละทัทธิภายนอกนั้นเป็นการอะไรทำความเพียนทางร่างกาย แต่ในทางพุทธศาสนานั้นน่ะตบะในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงอะไรเพียรทางด้านจิตใจเพียรในการที่จะเผาอะไรเผากิเลสให้เล่าร้อนใช่ไหเผาบาปธรรมมีอกุศลธรรมเป็นต้นน่ให้เราร้อนนั่นเองคำว่าตบะนี่ก็แปลว่าทำให้เ้าร้อนต้องถามว่าทำอะไรให้เลาาร้อนก็ต้องบอกว่าบาปทั้งหลายความชั่วทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกันในกรณีที่อเอา ดับบาเอาความเพียนเนี่ยไปลนไปเผาอะไรไปเผาความชั่วทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะมาน้าทิถีเป็นต้นเนี่ย น, นะกิเลสทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าการที่วิธีการบำเพ็ญตบะาเนี่ยก็หมายถึงข้อปฏิบัติทั้งหมดที่ฝืนต่อการที่จะให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเอาเวลาเราอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากเที่ยวเตยอยากเล่นอบายมุกต่าง อยากเที่ยวใบยมุกต่างๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าตามอะไรตามใจของกิเลสใช่ไหมตามความรู้สึกของกิเลสมีกิเลสเป็นผู้บงการสําหรับผู้ที่มีตำบาหรือมีความเพียรทั้งหลายเขาก็จะต้องขัดเกลากาไม่ตามนะไม่เขาก็จะทวนกระแสอย่างเช่นกิเลสเนี่ยก็เป็นเหตุทําให้เขาอยากเที่ยวอยากดื่มสุราเมลยัยอยากเล่นการบรรนัลใช่ไหมอยากพบคนชั่วเป็นมิตรอย่างนี้เป็นตนน้นเลนะ ลักษณะอย่างนี้กิเลสก็จะผลักดันให้เขาเป็นไปอย่างนั้นคนที่มีตบะมีความเพียรเขาก็จะอะไรเขาก็จะกันกันความรู้สึกอย่างนั้นได้ถ้าเป็นพระเนี่ยบางทีท่านประพฤติตะบาอยางแรงยังไงรู้ไหมท่านประพฤตุดงขวัดอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเอ้ยบางทีท่านยังโง่ง่วงมากทำยังไงนะเนี่ยชันมือเดียวเลยอย่างที่เป็นต้นนะวิธีขัดเกาว่าขับไล่ความเพียรเนี่ย ไม่ใช่ขับไล่ความเกียดค้านทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเอาตะบะานนี่เลยเป็นตัวขัดเกล่าแต่บางคนก็เยปล่อยดีกว่าไม่มีการเพียรระวังอะใช่ไหมใช่<ม>ฉะนั้นคำว่าตะบะานเนี่ยตามในยากของอัจฉกถาท่านกล่าวถึงการสำรวมอินทรีย์ด้วยการํารวมอินทรีย์ด้วยคำว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยก็เป็นตะบะาเหมือนกันการที่มี ส, สติไง ฝึกผลสติอบรมสติในการที่ไม่ให้อภิชาและโทรมนัสเกิดขึ้น ใ, <ช>ในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มรสแล้วก็กายสัมผัสเย็นร้อนแล้วก็ใจคิดนึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็มีอินทรียสังวรมีอินทรีย์สังวรคือมีสติการอะไรการอภิชาคือความยินดี<ช>ทมนัสคือความยินรไลโ<ช>ดยสรุปก็คือว่าความโง่ง่วงเนี่ยมันมาจากอะไร มันมากับโลภะบางมากับโทสะบางใช่ไม่หมจ๊ะถามว่าเออเวลาความอากุศลธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดความเกลียดค้านไอ้ความเกลียดค้านที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเขาเรียกว่าอะไรไม่เดินกุศลไม่เดินใช่ไหมกุศลมันหยุดแต่บาปมันเดินบาปมันทําหน้าที่มันก็คล้อยมันก็เดินทีนี้บางคนเนี่ยเวลาจะทําดีมันง่วงใช่ไหมจช่แต่เวลาไปสันทนาการไปรื่นเรืองเนี่ยหห ชื่นบานมากเล่นไพ่เนี่ยนั่นสังเกตโดยทีบางคนเขามาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกสามารถเล่นได้สามวันสามคืนไม่นอนเห็นไหมถามว่าบางถามว่าเวลาเราเ จ, เจริญกุศลเนี่ยบางคนเจริญแค่ห้านาทีแค่นั้นอ้างกันสารพัดเลยไม่มีเวลา <c oughs> อันนั้นเป็นข้อเชื่เห็นว่าเราตามใจอะไรตามใจกิเลสมากเหตุที่เราตามใจกิเลสเพราะขาดอะไรขาดบบอินทรีขาดต บ, บะขาดการสังวรระวัง ใช่ไหมขาดความเพียรน่ยวิริยะหรือความเพียรเนี่ยเป็นตะบะที่สําคัญที่ประกอบด้วยความเพียรนี่ยคือเป็นผู้กล้าเพียรระวังระวังความเกลียดค้าและความเชื่ออื่นๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นในสันดานต้นตน้นและเขาเรียกว่าสังวรประทานเพียรเพียรไม่ให้บาปเกิดนี่เพียรกันคือมันอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นโจรเป็นผู้ร้าย เราจะให้เข้าบ้านเราไหมทีนี้ความโงกง่วงทั้งหลายหรือว่าความโกรธความเกลียดค้านตลอดถึงความโลภต่างๆเนี่ยเรารู้หรื อ, อยังว่าเขาเป็นโจร <c oughs> ถ้ารู้ว่าเป็นโจรแล้วเราก็ไม่ควรต้อนรับ <c oughs> ใช่ไมจ๊ะเราอย่าไปเปิดประตูบางคนก็เปิดประตูตาต้อนรับเปิดประตูหูต้อนรับเปิดประตูจมูกบ้างริ้นบ้างกายบ้างแล้ประตูใจโดยเฉพาะประตูใจ เปิดประตูใจต้อนรับเขาเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็มามีอิทธิพลเขาอยากจะให้เราเป็นอย่างไรก็สารพัพเขาก็ทําไปนี่อะไรอย่างนี้ฉะนั้นในลักษณะของการไม่เพียรกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนประมาททั้งๆที่รู้ว่าเขาเป็นโจรก็ยังต้อนรับใช่ไหมมันก็เจ็บแล้วเจ็บอีกแล้ววิตกว่าหลายๆคนนะบางคนก็บอกแหมคนเนี้ยไม่คบแล้วไม่ครบแล้วพอเขาพูดดีก็หน่อยอ้าวใจอ่อนครบเลยเขาอีกแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว พอเห็นเข้ามากเข้ามาเข้านี่อ้าวอีกแล้วใจอ่อนขาดความเพียร น, นี่นะเพียรในการกันกันบาปนี่เลยยอมที่เสดจริงๆก็เจ็บปวดทั้งในภพนี้และภพหน้านี่มันมาจากอะไรไม่เพียรขาดตะบะใช่ไหมประการต่อมาถ้าเขาเข้ามาแล้วล่ะต้องเพียรละละอะไรถ้าความเกลียดค้านเข้ามาก็เพียรละความเกลียดค้านเสียความชั่วมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเมันเข้ามา ก็เพียนละคำว่าเพียนละเนี่ยหลายหลายคนไปคิดถึงด้านข้างนอกมากเกินไปเช่นว่าเอ๊ะทำยังไงจะเลิกบุหรี่ทำยังไงจะเลิกยาเสพติดทำยังไงจะเลิกคบคนชั่วเป็นเป็นิดแต่ลือแต่ลืมคิดไปว่าจริงๆไอ้ความรู้สึกที่ไปไปคบกับเขาเนี่ยไม่คิดที่จะละความรู้สึกตรงนั้นเราอย่าไปดูบุคคลดิให้ดูไอ้ความรู้สึกที่ไปชอบ ความรู้สึกที่อยากจะเสพความรู้สึกที่อยากจะไปคบหากับเขาละความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยอย่าไปถือทุกบุคคลเป็นประมาณเดี๋ยวเราเลิกจากบุหรี่เดี๋ยวเราก็ไปสูบยายอย่างอื่น <c oughs> ใช่ไหมบางคนเลิกบุหรี่ไปกินเหล้าเลิกเหล้าก็ไปเล่นการพนานอย่างนี้ที่สุดจริงๆเพราะอะไรไหมไม่คิดเลิกความอยากความต้องการความปรารถนาในทางที่ผิด ถ้าสามารถเลิกละความอยากความปรารถนาความต้องการในทางที่ผิดได้ไอ้เรื่องความชั่วทั้งหลายก็ไม่มาใกล้เห็นความชั่วเหมือมันสลัดทิ้งทันทีนี่เขาเรียกเพียรละฉะนั้นการเพียรละในเมื่อมันเข้ามาสู่ร่างกายของเราจิตใจของเราแล้วทีนี้เราก็ตรวจสอบกันว่าในชีวิตประจาวันของพวกเราเนี่ยถามว่ามีบาปอะไรที่ ม, มันนอนอยู่ในตัวเรามาก คุยอมลองสังเกต ด, ดู่ตัวเราเองเนี่ยถามว่าโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิถีน้ามิธาเป็นต้นเนี่ยหรือความเกลียดค้านเป็นต้นเนี่ยถามว่าอะไรโนาะที่มันมันเข้ามาแล้วอย่าไปคิดกันเลยเอาออกให้ได้ก่อนใช่ไหมฮะมันเข้ามาแล้วเรากว่าจะรู้ว่ามันเข้ามาหมอแฝงเราอยู่ะแล้วเนี่ยต้องต้องเพียนเนพยายามในการละในการเพียนเราเพียนละนั่นแหละ เขาเรียกว่าละความเกลียดชังละความชั่วที่อยู่ในจิตของตอนเองให้หมดไปนี่เขาเรียกว่าประหารประหารประทา น, านคือเพียรละใช่ไหมต้องต้องเพียรละในหลายคนนะไม่เพียรพยายามที่จะละประเภทที่บอกว่าติดละติดเลยใช่ไหมสวดมนต์เมื่อไหร่ก็ง่วงทุกทีอย่างเงี้ยฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ง่วงทุกทีอย่างเงี้ย แ, แต่สวดมนต์ไม่ง่วงอะค่ะเพราะว่าต้องออกเสียง ถ้าฟังทำถ้านั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนนักเรียนเรียนหนังสือฉะนั้นนั่นแหละคือหลายหลายคนนะเหมือนกับนักเรียนทั้งหลายที่ไปเข้าห้องเรียนเนี่ยพอเข้าไปแล้วก็ถ้าเคยหลับก็หลับอยู่นั่นแหละเคยคิดไม่อยากจะฟังก็ไม่อยากจะฟังอยู่ในไปสร้างใช่ไหมที่ไม่เคยคิดจะละตรงนั้นประการต่อมาคือเพียรทําความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรเจริญกุศล น, นั่นเองคืออย่างนี้ อาสินสมาธิปัญญาหรือว่าทานกุศลสินกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเนี่ยถามว่าเพียนกันขนาดไหนเพียนสวดมนต์ไหวพระใช่ไหมเพียนในการที่จะมาหนาสิกการในการฟังทำเพียรในการที่ศึกษาคําสอนเนี้ยไหเพียนกันขนาดไหนบางคนเพียนครั้งเดียวแล้วจิตใจไม่เอาแล้วก็ละแล้วเสียหายเลยคนที่เสียหายคือตัวเราเองนะเพราะไม่เพียนให้เกิดขึ้นในจิตในสันดานของตนเองคือภาวนาบัติทานไม่เกิด เพียนครั้งเดียวก็พอเลยครับกลับไม่เพียนให้ติดต่อกันให้ต่อเนื่องเพราะอย่างนี้แล้ววัฏะถึงยาวนานเจ้าไม่ใชเป็นอย่างไงประการต่อมาคือเพียนอะไรเพียนรักษาเพียนรักษาแม้ถ้าเกลือเขาไม่รักษาความเค็มเนี่ยเราก็จะไม่มีของเค็มกินเลยแต่ไหมใช่ความดีทั้งหลายต้องต้องรักษาอันนี้ตราพูดอย่างพื้นฐาน เบื้องต้นน่ยนะทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของอินทตียสังวรเนี่ยอินเซสังวรเนี่ยความเพียรเนี่ยนะก็ได้แก่การมีสติสัมบรมทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ตกไปในความยินดีและความยินร้ายก็กล่าวคืออภิชาและโทมนัสนั่นน่ยในอารมณ์ที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นด้วยการมีสติระลึกอะไรระลึกลักษณะของรูปของนามที่ปรากฏในขณะนั้น ถ้าสามารถระลึกได้อย่างนั้นแล้วก็จะสามารถกันอะไรได้กันความยินดีและความยินลายความยินดีคือโลภะในการยากไหม ย, ยากความโลภในการยากไหม ย, ยากเวลาเรากันความโลภนี่ไหนะเป็นชื่อของการกันมานะกันทิฏฐิหมดเลยนะ่ต้องกันให้ได้ด้วยความโลภก็ดีแต่คำว่าดีนี่ม่ใช่ความโลภดีนี่ยลกไอ้ทิฏฐิ ความเห็นผิดมานะความเย่อหยิ่งถือตัวเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องไปกันวิธีการคืออย่างไรอบรมสติพ่อคูณสติและเจริญสติให้มากถ้าถามว่าเจริญสติอย่างไรเนี่ยเป็นนิย่าที่จะต้องปุดฝนเอาวิธีเจริญสติในปัจจุบันเขาเจริญกันยังไงศึกษาคําสอนบ้างฟังพระธรรมบ้างจเจริญให้ทัก น้อมจิตของตอนเองลงในทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นบ้างและก็ปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติปัฏฐาน<ะ>มีการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นนั้นอันนั้นเป็นในยะที่พูดนี้เป็นหลักการแต่วิธีปฏิบัตินั้นต้องมาแยกแยะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนี่เป็นอย่างนั้นวิริยะความเพียรที่จัดเป็นตะบะนั้นหมายเอาความเพียรที่เป็นกุศลเท่านั้นนะ เพราะความเพียร น, นั้นเนี่ยทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลที่เป็นอกุศลนั้นก็ทําให้อกุศเลเจริญถามว่าในคนเพียรทําบาปได้ไหมได้อย่างนั้นไม่เรียกว่าความเพียรในมงคลนี้เพียรในการฆ่าสัตว์คนจะฆ่าสัตว์จะลักทรัพย์จะประพฤติผิดในกามเนี่ยต้องใช้ความเพียรพยายามในการทําทั้งนั้นเลยใช่ไหมช่ชเอางี้คนเวลาที่จะไปฆ่าสัตว์เนี่ยต้องด้อดมต้องคอยซุ่มใช่ไหม บางทีต้องคอยค่อยๆ ย, ย่องคนจะไปลักขโมยก็ในยา่าเดียวกันต้องคอยย่องย่องคนบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าโดยมหาบุรีษัักษณะของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นมีฝ่าพระบาทเรียบเสมออูมเรียบเสมอในยฝ่าเท้าเนี่ยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะในเหตุปัจจัยของพระองค์ทำมาในพระองค์ประพฤตในกุศลกรรมบทไม่เคยเอาเท้าเนี่ยไปย่องที่จะไปลักไปขโมยหรือจะไปเข็ดไปฆ่าใคร เท้าของพระ อ, องค์จริงเต็มเลคนบางคนเกิดมาในปัจจุบันเนี่ยเท้ากระโยงหรือว่าเท้ากุดเท้าด้วนเคยทํากรรมไว้ไม่ดีเยอะบางคนก็แคะหลังโกงเป็นต้นเนี่ยเพราะว่าเคยไปหลบหลบซ่อนซ่อนในการทําชั่วไวเ้เยอะเห็นไหมกรรมมาส่งผลก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่งามในด้านลักษณะอย่างนี้เป็นต้นหลายหลายคนก็เจอกันอย่างนี้<ะ>นั่นแหละคือเพี้ยนผิด ฉะนั้นการเพียนผิดนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าตบะเพราะเป็นการเพียรในการทําบาปนะฮไม่ไม่เรียกว่าตบะทีนี้ว่าการเกียดค้านในการทํางานเพราะกลัว จ, จะเหนื่อยจึงนอนอย่างเงี้ยอันนี้ความเพียนอย่างนี้โดยมากจะเกิดขึ้นเกียดค้านเพาคิดว่าการทํางานแล้วลูกสื่อเหนื่อยจะทําต่อไปก็นอนเสียอย่างเงี้ยพวกนี้ขาดความเพียนทั้งนั้นเลย เกียดตค้านในการเดินทางเพราะกลัวจะเหนื่อยก็อ น, นอนเกียรติค้านเพราะคิดว่าได้เดินทางไปแล้วถ้าเดินทางไปอีกก็จะเหนื่อยหรือเกียดตค้านเพราะไปหาราบไม่ได้ตามต้องการคือคือลักษณะของความเพียนเนี่ยนะเจ็บป่วยเล็กเล็ก น, น้อยมีข้ออ้างเยอะแยะหมดเป็นเหตุทําให้กุศลไม่เดินนะเป็นเหตุให้กุศลไม่เดินฉะนั้นลักษณะของความเพียรที่จะเป็นตะบะได้นั้นนะนยต้องเป็นกุศล ท่านจัดว่าเป็นมงคลส่วนที่ท่านยกว่าสัมรวมอินทรีย์แล้วทําให้กุศลเกิดขึ้นถ้ า, าบอกว่าการสัมรวมอินทรีย์ทําให้กุศลเนีเกิดขึ้นแต่ถ้าหากไม่สัมรวมอินทรีย์แล้วก็เป็นเหตุทําให้อะไรทำให้กุศลเสื่อมหลายหลายคนนะขาดการสํารวมระวังนะถ้าในชั้นของคัมภีร์หรือตาําราท่านยกตัวอย่างว่ามีสมมาเนนหรือบุคคลที่เหาะไปได้ ขาดการสำรวมระวังตาหูจมูกในขณะที่หอไปก็ได้ยินเสียงคนร้องเพลงอยู่หรือในขณะที่เดินไปเงี้ยพระนะในขณะที่เดินไปเนี่ยขาดการสำรวมระวังทางหูพอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงราคะก็เกิดขึ้นทันทีในใจอย่างนี้เขาเรียกอภิชาเกิดราคะก็เกิดพอราคะเกิดขึ้นมาก็บอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปทีหลังเ น, เน้นก็แอบไป ที่ไหนได้ก็แอบไปไปเจอผู้หญิงที่สจริงๆก็ต้องศึกษาลาภิลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปล่อยให้ราคะครอบงำจิตใจเพราะขาดการสำรวมหูเ<อ>ลยสมมมรวมหูมมมในชีวิตประจำวันของพวกเราให้สังเกตดูนะหลายๆคนเนี่ยบางคนไม่ยอมเสียงเงินนะแต่พอได้ยินเสียงแค่นั้นโอ้โหทนไม่ไหวต้องควักเงินจ่ายแพงก็จ่ายเสียงเพราะเรืเกิน บางคนเอาทางตามามาล่อทางตาแค่นั้นก็ไปแล้วพอเห็นสวยๆงามๆหน่อยโอ้ยต้องเสียพวงมาลายัยเสียเงินเสียทองกันเยอะๆหมดเลยเจ้าไหมใช่เนี่ยเพราะว่าเราไม่สํารวมระวังชีวิตก็พุ่มเฟือยล่มจมกันมาก็เยอะนะเอานี้ว่าเรามีตาเนี่ยเราวิบัติเพราะตามาแล้วเท่าไหร่เรามีหูเนี่ยเราเคยวิบัติเพราะหูมาแล้วเท่าไหร่ ฉะนั้นการขาดการทั้รวมอินทรีย์นั้นน่ะถ้าหากเป็นบุคคลที่จะเจริญกุศลชั้นสูงก็ติดขัดก็ไปไม่ได้ศีล ส, สมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เสือ่อมแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่จะใช้ชีวิตในการอยู่คองเรือนถ้าหากไม่ระวังในการที่จะกันกิเลส ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหมายความว่าไม่ระวังในการเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยกิเลสก็เกิดและความวิบัติก็ตามมาก็เยอะแยะนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นนี่คืออินทรีสังวรนี่เป็นอย่างนี้นคําว่าพรหมจันท ร, ร์เนี่ยในภาษาของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไรคะในมงคลข้อที่บอกข้อที่สองนะนะในคาถาที่เก้านี้คําว่าพรหมจรรันทร์เนี่ยท่านหมายถึงการเว้นจากเมตุนธรรม แล้วก็ส ม, มณะรำรศาสนาหรือคําสอนของพระเจ้าหนึ่งแล้วก็มัดนั่นนะเขาเรียกว่าพรหมจันทร์คําว่าพรหมจันทร์ซึ่งหมายถึงการเว้นจากเมถุนนะนะั้นเน่ยเพราะว่าเมถุนวิรไดนะ้เป็นชื่อของพรหมจันทร์นะทีนี้ไปศึกษาคําว่าพรหมจันทร์ในรายละเอียดอีกนิดนึงนะนะคำว่าพรหมจันทร์เนี่ยคือการประพฤติประเสริฐคําว่าพรหมจันทร์ในคํานั้นนะ ก็หมายความว่าเป็นการประพฤติตนตามคุณธรรมในศาสนาเคร่งครัดยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้กิเลสมันปูกลับมาอีกฉะนั้นคําว่าพรหมาจาันทร์ก็จึงแปลว่าประพฤติอย่างพรหมเขก็เรียกพรหมเนะี่ยแปลว่าประเสถียรใช่ไหมใช่ทีนี้คําว่าพรหมาจาันทร์ในทางพุทธศาสนาเป็นวิธีการของทางพุทธนั้นก็เพราะเป็นเรื่องการตัดการมารมณ์หรือการมาคุณทั้งหลายนั่นแหละ ในลักษณะของการประพฤติพรหมจรรย์นะั้นน่ะท่านก้อนเนะ้ท่านบอกว่าถ้าหากว่าการประพฤติพรหมจรรย์มิได้ถึงหมายถึงการออกบวชเป็นพระอย่างเดียวนะถ้าเป็นคราว่าผู้ครองเรือนก็สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้เช่นเดียวกันเพราะพรหมจรรย์นะั้นน่ะถ้าหากในมงคลาตะทีปนีท่านแยกออกมาทั้งเยอะแยะหมดเลยเช่นทานคือการให้เนี่ย เวยาวัจจะการขวนขวายในการทำประโยชน์เบ็นยสีนคือการรักษาสีห้าอปมัญญาก็หมายคือการเจริญพรมวิหารมีการเจริญเมตตาเป็นต้นสรัทธาสนโดษพอใจแต่ในคู่ครองของตนเองเห็นไหมในการประทุษพรหมจันทร์เนเมถุนวิรัตก็เว้นจากการเสพเมถุนวิรยิยะหมายถึงความเพียรอุโบสถก็หมายถึงการรักษาศีนอุโบสถอริยมรรคเนี่ย ก็หมายถึงการบำเพ็ญเรียมักมีองค์แปดการพ่อคูณหรือการเจริญไตรศึกขาศีลสมาธิปัญญานั่นแหละให้บริบูรณ์ต่อมาคือศาสนาคือการประพฤติตามคำสอนแล้วก็สัมมณธรรมก็หมายการบำเพ็ญสัมมณะส ม, มณะแปลว่าสงบเป็นผู้สงบบาปทางกายทางวาจาและทางใจฉะนั้นในหลักของพรหมจันทร์ที่ท่านกล่าวเขาไว้เนี่ยท่านก็มาแยกกันว่าเป็นพรหมจั์ชั้นต่า พรมจัน์ชั้นกลางและพรมจัรย์รชั้นสูงเป็นยังไงคะชั้นรัถ้าชั้นต่ำ<ร>หน่อยก็หมายถึงการให้ทานใช่ไแล้วก็วยยาวจะการประพฤติประโยชน์แล้วก็เบญจศีลการรักษาศีลห้านี่เป็นพื้นฐานลำดับแรกของการประพฤติพรมจันทร์ถ้าชั้นกลางก็คือการเจริญอภัมญยามีการเจริญเมตตาแล้วก็สทธารสันโดษรู้ไมศทธาระสันโดษคืออะไร ไม่ทราบค่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วยินดีพอใจในคู่ของตนเองเห็นไหมชาวบ้านทั้งหลายก็สามารถประพฤติได้คำว่ายินดีเนี่ยท่านให้ระวังที่จิตเนะท่านไม่ใช่ไปพูดถึงว่าประเบยประพฤติละเมิดนอะเห็นไหมจิตเนี่ยนะการยินดีเนี่ยก็หมายความว่าจิตใจของท่านผู้นั้นเนี่ย ไม่ไปยินดีในบุคคลอื่นนอกจากคู่ของตนเอง<ม>อย่างนั้นเขาเรียกก็มีอะไรจาทาและสันโดษนี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เมถุนวิรัตินั้นเมถุนวิรัตนั้นก็คือการเว้นจากเมถุนเลยอันนี้โหเว้นเลยเว้นจากการมีคู่เลย<ข>นะแล้วพระอาจารย์คะถ้าเกิดมีคนบอกว่าเขามีคู่ครอง หลายคนอันนี้ทางทางอาา่อนเอามาเป็นประมาณไม่ได้<อ>ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์นใน<ะ>ที่นี้ทีนี้พรหมจรรย์ชั้นสูงก็ได้แก่ตบะหรือวิริยะเนี่ยอุโบสถถ้าเป็นคารวาก็<ะ>ที่อุโบสถหรือเจริญอริยมรรเจริญอริยมรรทีนี้คำว่า ศาสนานะี่ยชื่อว่าพรหมจันท ร, ร์นั้นเนะ่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอดูก่อนมารหากว่าพรหมจันท ร, ร์นี้ของเรายังไม่แพร่หลายกว้างขวางยังไม่รู้จักกันมากตราบใดเราจักไม่ปรินิพานตราบนั้นนี้เป็นคําดําลัดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแก่มารบอกว่าพรหมจรรันทร์หมายถึงอะไรนะพรหมจรรันทร์หมายถึงอะไรสําหรับ มัคคภรมอาจารย์นั้นได้แก่อริยมรมีองค์แปดมีอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจสัมมากรรมตะสัมมาชีวสัมมาวายามสัมมาสติและสัมมาสมาธิย่อลงมาก็คือไตรสิกขาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้คือพรหมจรรย์เนี่ยฉะนั้นพรหมจารย์ทั้งสิบประการที่ได้กล่าวเนี่ที่บอกว่า ทานการให้ข้าวน้ำเป็นต้นเวียาวจา ก, การช่วยเหลือในกิจที่เป็นกุศลด้วยความเต็มใจศีลห้ามีการเมฆฆ่าสัตว์อัภมัญญามีการเจริญพร ม, มิหารสี่มีเมตตาเป็นต้นเมถุนวิราชการเมตเสพเมถุนสาทธารรสันโดษการยินดีเฉพาะในคู่คร อ, องของตนเองวิริยะความเพียรในการเจริญกุศลอุโบสถตศีลการรักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์แปดนะนะอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิ แล้วก็ศาสนาคือคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยทั้งสิบประการนี้เรียกว่าพรหมจรรย์นะ เ, เพราะอะไรเพราะเป็นความประพฤติอันประเสริฐจัดจว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญเป็นเหตุให้เกิดคุณวิเศษนานาประการนี่ท่านท่านว่าอย่างนั้นค่ะทีนี้ฉะนั้นการเจริญพรหมจรรย์นในชั้นต่าชั้นกลางและก็ชั้นสูงเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็ไปพิจารณาว่าเราจะทำได้ระดับไหน นะถามว่าบางคนก็บอกเอ๊ะตนเองเนี่ยทําได้ชั้นต่ำอย่างเดียวเท่านั้นเราให้ทานทานได้ไหมให้นะ่ะการให้ทานก็ต้องน้อมกิดให้ถูกเวียาวาจา ก, การประพฤติประโยชน์ด้วยความเต็มใจแล้วก็เบญจศีลการรักษาศีลห้าเนี่ยอันนี้พื้นฐานในทําได้ไหมในชีวิตประจําวันได้ถ้าหากทําได้ก็ถือว่าเราประพฤติมงคลแล้ว <Okay. S 1> ถ้าสูงไปกว่านั้นล่ะ อาจจริญสมาธิอบลมพ่อคูณเมตตาให้เกิดขึ้นในืได้ชั้นกลางแล้วนะหรือยินดีในคู่ครองตอนเองหรือบางครั้งวันพระที่ก็มารักษาอุโบสถเศดนจทเว้นจากเมธุนวิรัต์เลยอันนี้ได้ชั้นกลางแล้วใช่ไหมถ้าชั้นสูงก็โอ้โหเพียนเผากิเลสให้เราร้อนรักษาอุโบสถเลย หรือจเจริญอริยมรรคไหมเอาจริงเอาจังในการที่ทําไตรสึกขาให้บริบูรณ์ฉะนั้นการที่เราประพฤติพรหมจรรย์ระดับต้นระดับกลางและระดับสูงได้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายด้วยทีนี้ประโยชน์ละ่ะประโยชน์ที่จะได้จากการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศหรือชีวิตที่เลิศหรือที่ดีเขาจะเป็นชีวิตที่เป็นอย่างพรหม ใช่ไหมเป็นชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ยกระดับจิตใจขึ้นสู่ชั้นตามลำดับใช่ไมว่าจิตของเราเนี่ยโดยมากมันจะไหลใช่ไหมถ้าเราปล่อยเ็าบอกว่าน้ำเนี่ยมันตกมาจากภูเขาใช่ไมถ้าเราถ้าเราไม่รีบถ้าเราปล่อยเหมือนปลาบางตัวถ้าเราปล่อยให้ไหลลงมาตามน้ำน่ะตายก็เยอะนะมันตกกระแทกกระหิน ได้มากไม่ค่อยรอดถ้าคนเราถ้าปล่อยให้ไหลลงมาอย่างนั้นแล้วก็ตายคนที่ปล่อยไปตามกิเลสใช่ไหมจ้ะชีวิตก็ตายตายจากอะไรตายจากคุณความดีทั้งหลายตายจากการเจริญโอกาสที่จะเจริญกุศลไม่มีแล้วพอไปปล่อยให้จิตลงต่ําอย่างนั้นแล้วโอกาสจะดึงก็ยากหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องบุญแล้วไม่ต้องพูดเลยไหมเอาไปติดคุก ออกมาแล้วก็มาทําชั่วมองเห็นไหมว่าจริงๆไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่เคยคิดที่จะแก้ไขเขาไม่เคยคิดจะแก้ไขเพราะเขาปล่อยไปตามกระแสไม่เคยคิดที่จะประพฤติพรหมจรรย์อะไรเลยฉะนั้นชีวิตก็เต็มไปได้วยความเจ็บปวดแล้วก็ทําให้คนใกล้ชิดหรือคนแวดล้อมตลอดถึงคนที่รู้จักเจ็บปวดไปด้วยมีพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นต้นนั่นแหละคือคนที่ไม่ ประพุิพรมจา ร, รย์ไม่เลือกเอาว่าตนเองจะประพุธพรมอาจา ร, รย์ในชั้นต่ำชั้นกลางและก็ชั้นสูงอย่างไรไม่เคยคิดในเรื่องของพรมอาจา ร, รย์เลยว่างั้นแล้วไปเข้าใจว่าเออประพุธพรมอาจา ร, รย์คือนักบวชเท่านั้นเราประพุธไม่ได้เราพอไม่คิดอย่างนั้นก็เลยไม่คิดในการที่จะทําดีนี่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะทีนี้ในเรื่องของคาถาที่9้านี่นะคะนอกจากความเพียรแล้วก็ประพุธพรมอาจา ร, รย์แล้ว อีกหัวข้อหนึ่งคือการเห็นอริยสัตว์ว่าในตรงนี้อย่างปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราจะเห็นอริยสัตว์ได้ไหมอย่างไรคะในเรื่องของพรหมจรรย์ที่บอกการเห็นอริยสัตว์เนี่ยนะอริยสัจญาณทัศนนัคือการเห็นหรือทำให้แจ้งซึ่งทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคด้วยอริยปัญญานะ เป็นการเห็นแจ้งที่เกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคมีองค์แปดนั้นประชุมพร้อมกันแล้วข้านั่นเรียกว่าเป็นมรคสมมังคีทำลายกิเลสเนี่ยให้ขาด จ, จากขันธสันดานจะได้ก้าวล่วงสังสารวัฏได้จัดเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมฉะนั้นการเห็นอริยสัจเนี่ยนะถ้าไปบอกว่าหลักอริยสัจเนี่ยคือหลักที่เป็นความจริงอริยะกับคําว่าสัจจะเนี่ย อริยะไอ้คำว่าสัจจาเนี่ยนะก็แปลว่าจริงและแท้ไม่ผิดและไม่เป็นอย่างอื่นอริยะนะแปลว่าประเสริฐก็ได้หมายถึงผ้าอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะ่ะที่ท่านเห็นอริยสัจสี่คือเห็นความจริงเงินประเสริฐความจริงเงินประเสริฐหรือที่เรียกว่าสัจจะหรืออริยสัจจานั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าเห็น เมื่อพระพุทธเจ้าแทงตลอดอริยสัจพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นพระอริยะเป็นบุคคลที่ประเสริฐจริงๆฉะนั้นอริยสัจนั้นคือความจริงที่มีอยู่คู่กับโลกเป็นหลักธรรมคำสอนที่จัดไว้เป็นแม่บทของพุทธศาสนาอย่างคําว่าทุกเนี่ยทุกขสัจเนี่ยความจริงคือทุกนี่นะสภาวะที่เป็นทุกขสัจอย่างเนี่ยบางที ลักษณะของทุกนี่นะเป็นสัจจะเป็นธรรมชาติแท้คือเป็นของแท้หมายถึงอะไรรู้ไหมทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจท่านแบ่งออกอย่างนี้สภาว่าทุกคือทุกประจําสังขารเยนะทุกประจําสังขารของร่างกายของสัตว์โลกทั้งหลายก็มีชาติที่ทุกนี่ทุกคือการเกิดไี่หลายๆคนมองการเกิดไม่เป็นทุกข์ก็เยอะเนะี่ย แต่ความเกิดนั่นแหละนำมาซึ่งความทุกข์ชราทุกทุกเพราะความแก่มรณะทุกทุกเพราะความตายฉะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นชาติทุกชราทุกมรณะทุกเนี่ยและความทุกข์ที่บันจรมาทาให้เราเห็นก็คือโศกวามเศร้าใจความที่จิตใจเราเข้าถึงความโศกปริเทวะการบ่นเพื่อรำพันทุกขะได้แก่ความไม่สบายกาย และก็ความเจ็บป่วยทั้งหลายานีโทมาัตก็คือความไม่สบายใจความน้อยใจความไม่สบายใจเนี่ยอุปายาสหรืออุปาญาตความคับแค้นใจความตรอมใจเนี่ยหรือกุ้มใจสัมปโยคะประจวบกับสิ่งที่เกลียดที่ชังวิปโยคะก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักหรืออลาภะคือไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการหรือปรารถนาหรือผิดหวังเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นความทุกข์ จริงแท้ที่เกิดขึ้นกัตสัตว์โลกทุกจำพวกใช่ไหมใช่ hmm. ลักษณะอย่างนี้นี่แหละท่านบอกว่าเป็นความจริงที่อยู่คู่กับโลกกับสังขารกับร่างกายกับสัตว์โลกทุกจำพวกนั่นแหละว่าไงแต่ว่าใครจะมีครบไม่ครบมากน้อยเด่นชัดตัวไหนกนะ็ไปว่าแต่ที่แน่ๆคือว่าชาติทุกทุกเพราะการเกิดชาราทุกทุกเพราะความแก่แล้วก็มรณะทุกทุกเพราะความตายนะมีหมดแหล่ง มีหมดเลยแต่ความโศกความร่ำไรลำพันธความไม่สบายายความไม่สบายใจความคับแค้นใจพระภาคเก่กสิ่งที่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ไหมทุกข์โดยสรุปก็คือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันที่เขาเรียกว่าอุปาทานกันห้านี่เป็นตัวทุกข์การเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นทุกขสัจ ทีนี้การเห็นทุกข์ศาสตริ์นั้นใช้อะไรไปเห็นถ้าใช้โทสะโลภะไปพิจารณาเนี่ยยิ่งกลัวบางคนกลัวตายมากกลัวความโศกกลัวความล่ำไรลำพันธ์กลัวจะพลัดท่ากลัวจะจากกลัวจะวิบัติกลัวความยากจนใช่ไหมบางคนมีความโลภมากๆก็ไม่อยากจากมีทรัพย์สมบัติมากก็โอ้โหทำยังไงตนเองจะอยู่เสวยทรัพย์สมบัตินั้นมันนานๆ บางคนมีคู่ครองดีเนี่ยเขาทำยังไงตัวเองจะอยู่กับคู่ครองได้นานๆใช่ไหมใช่มีรถสวยๆงามๆจะทํำยังไงเนะืจะอยู่กับเราได้นานๆไอลักษณะอย่างนี้เป็นความยินดีพอใจในทุกขทีนี้ความยินดีพอใจในทุกเนี่ยเมื่อเราไปยินดีพอใจในทุกเนี่ยสภาวะของทุกข์ขั์แล้วเนี่ยเขามีการอะไรเบียดเบียนบีบคั้นคือโดยสรุปก็คือว่าอาการของเขาเน่ยเจ็บปวดแน่นอน เขาต้องทุกขสตัตว์นี่เปลี่ยนแปลงไหมเขาต้องเปลี่ยนแปลงทนอยู่ในสภาพเดิมของเขาไม่ได้แร้วฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องใช้อะไรไปเห็นต้องใช้ปัญญาฉะนั้นปัญญาที่เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงของสัจจะของทุกขสัตว์นั่นแหละถึงจะสามารถที่จะวางจิตได้ถูกแล้วก็ไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นทีนี้ประการต่อมาคือทุกขสมุทัยหรือสมุทัยหเหตุให้เกิดทุกข เหตุที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์หรือว่าท่านบอกว่าความอยากนั่นแหละคือตัวตัณหาความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นต้นอย่างนั้นเขาเรียกว่ากรา ม, มาตัณหาหรือกรรมมคุณทั้งห้าเนี่ยไอตัวผูกมัด ร, รึงรัดจิตใจในตัวนี้เป็นตัวตัณหาก็วันนี้คงจะพูดได้แค่ทุกขสัจจะและขึ้นตัณหาเพียงเล็กน้อยแค่ตรงนี้นะ เพราะว่าถ้าอธิบายต่อไปเดี๋ยวเวลาก็จะหมดเวลาที่เหลือก็ให้คุณโยมได้สรุปแล้วก็จะได้จบรายการค่ะสำหรับวันนี้ท่านพระอาจารย์ปหลัดสมทบประกะโมผู้สนทนาธรรมในวันนี้ขอจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ท่านผู้สดับในธรรมจงประสบความสำเร็จในชีวิตขออนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ भगवा, आवस्थियं विहरती, जेतवने, अ न ा थ प िं ड ि क स ् स ा आरामे, अ थ क ो अ न ् य त र ा देवता, अ भ ि ष क ं त ा य र त ् त य ा अ भ ि त क ं त ा वन्ना, केवलकप्पं जेतवनं ो भ ा स े त ् व ा สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ วันนี้รายการสนทนาปัญหาธรรมะขอนําท่านผู้ฟังมานมัสการพระคุณเจ้าพระอาจารย์ปหลัดสมทบ ป, ประักะโม่บางปะม้าสุพรรณบุรีนมัสการค่ะเขาจริยพรเมื่อคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องมงค ล, ลสูตรที่สี่ว่าด้วยอุดมมงคลพูดมาถึงคาถาที่9เรื่องความเคียรแล้วก็เรื่องพุ่มจานทรย์เล็กน้อยวันนี้อยากจะ อรัธนาพระคุณเจ้าได้แสดงธรรมในเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ต่อคะ่ะในคาถาที่9มีอยู่สี่มงคลดังที่ได้กล่าวนทีนี้ในสี่มงคลนั้นก็มีตบะที่แปลว่าความเพียรเพราะอัตถว่าแผดเผาบาประรมทั้งหลายแล้วก็ความประพฤติ ท, ที่ประเสริฐเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพรหมจรรย์ อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าความประพฤติของคมทั้งหลายชื่อพรหมจันทร์ความประพฤติประเสริฐนี่นะที่ท่านเรียกว่าพรหมจันทร์ที่จะอธิบายในวันนี้เนะี่ยในมงคลในข้อที่สองในคาถาที่เกเนะี่ยคือพรหมจันทร์นั้นเนะ่ยตั้งท่านหมายถึงการเว้นจากเมถุนธรรมหนึ่งสมณาธรรมหนึ่งศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่งและก็อริยมรรคหนึ่ง ทีนี้คําว่าพรหมจรรย์เนี่ยนะถ้าเราดูในคําสอนที่ท่านบอกว่าความประพฤติที่ประเสริฐหมายถึงการประพฤติตนตามคุณธรรมในศาสนาให้เคร่งคัดยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันมิให้กิเลสปูกลับมาอีกฉะนั้นคําว่าพรหมจรรย์จึงแปลว่าประพฤติอย่างพรหมเพราะคําว่าพรหมนั้นนะเขาใช้ในรัฐที่ของฮินดูมาก่อน แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามาตรัสนั้นหมายถึงพรมนั้นคือผู้ที่ประเสริฐทีนี้พระพุทธศาสนาได้นาคำว่าพรมจารย์นี้มาเป็นวิธีการทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องตัดกามารมณ์คือกามคุณนั่นเองพอมาดูจากความหมายที่บอกว่าคำว่าพรมจารย์ในคำแรกที่บอกว่าสมณนพรมา สมณธรรมก็ชื่อว่าพรหมจรรย์ดังที่ท่านได้ ก, กล่าวเข้าไว้ที่บอกว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นคำกล่าวของภาษารีบุตรฉะนั้นคำว่าสมณธรรมสมณธรรมเนี่ยนะก็ชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์เหมือนกันเป็นการประกาศส่วนคำว่าศาสนาที่ชื่อว่าพรหมจรรย์นั้น จะดูในไหนดูในมหาปรินิพานสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส บ, บอกดูก่อนมานหากว่าพรหมจันทร์นี้ของเรายังไม่แพร่หลายคือยังไม่กว้างขวางยังไม่รู้จักกันมากตราบใดเราจากไม่ปรินิพานตราบนั้นนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงศาสนะพรหมจันทร์นี้เป็นดํารัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสแก่วัดสดีมาน ฉะนั้นศาสนานั้นจึงเป็นพรหมจรรย์นะศาสนาคือคำสอนนั่นเองส่วนอีกคำหนึ่งที่ท่านตรัสเขาไว้นะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกาวคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบใช่ไหมฮะสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมา กรรมตระการทําการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมัน่นชอบอันนี้หมายถึงอะไรอริยมรรคมีองค์8ในอริยอริยอริยมรรคมีองค์8นั้นเรียกว่าเป็นพรหมจรรคเนีนะ่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเรียกว่ามรรคมรร์ในศาสนานี้ พวกเราทั้งหลายเวลาศึกษาคำสอนแล้วประพฤติปฏิบัติกันนั้นเพื่ออะไรเพื่อเจริญเพื่อให้อริยมรรคนั้นบริบูรณ์ใช่ไหมทีนี้วิธีการประพฤติผมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพรหมจาร์ที่ท่านตรัสไว้มีสิบอย่างในสิบอย่างนั้นมีอะไรบ้างอ่ะมีทานคือการให้การให้ข้าวน้ำเป็นต้นเนี่ยนะค่ะวยวัจจะการช่วยเหลือในกิจที่เป็นกุศลด้วยความเต็มใจ อันนั้นก็เป็นพรหมจรรย์ประการที่สามคือศีลห้าการสมาทานศีลห้าทุกวันนะเขาเรียกว่าพวกเราประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม<ะ>ถ้าใครสา ม, มารถตื่นเช้าขึ้นมาก็สมาทานเลยสมาทานศีลห้าเนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ประพฤติพรหมจรรย์ประการต่อมาก็คือว่าอปมัญญาสี่คือการเจริญพรหมวิหารสี่คือมีการเจริญ เมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาอย่างนั้นเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์กันประการต่อมาก็คือเมถุนวิรัติการเว้นจากการเสพเมถุนธรรมก็หมายถึงว่าการเว้นจากการมีคู่ครองหรือการไม่เกี่ยวข้องในเรื่องของเมตุนธรรมทั้งหลายลักษณะอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าบุคคล น, นั้นประพฤติพรหมจรรย์ประการที่6ก็คือสรัทธาและสันโดษ การยินดีเฉพาะในคู่ครองของตนเองนี้เขาก็เรียกว่าบุคคลนั้นประพฤติพรหมจรรย์ประการที่เจดวิริยะความเพียรในการทําบุสสน์ก็หมายถึงในขณะที่เราทําความเพียรให้เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นประพฤติพรหมจรรย์ประการที่แปดคืออุโบสถเศีลการรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8องค์แปดในที่นั้นก็คือเป็นศีลนั่นเอง แต่การประพฤติอุโบโสถก็เคร่งชัดน ะ, ะประการต่อมาก็คืออริยมรตมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่าศาสนาศาสน า, า, า, าที่เขาเรียกว่าอะไราศาสนาพรหมจันทร์นี่เขาเรียกว่าพรหมจันทร์ในลักษณะอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะทีนี้คำถามนิดนึงอะค่ะว่าคำว่าพรหมจันทร์เนี่ยมีท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ย จะเข้าใจกันคิดว่าเป็นการถืออุโบสถศีลหรือถือศีลแปดอย่างเดียวใช่หรือไม่ตรงนี้นก็เป็นคำตอบที่บอกว่ามีอยู่10ประการค่ะฉังนั้นใน1ิประการนี้เนี่ยแม้แต่การรักษาศีลห้าการไม่นอกใจคู่ครองของตนเองการประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือในกิจที่เป็นกุศลด้วยความเต็มใจลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่า ลักษณะอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์มีทั้งมีทั้งสิบอย่างาอย่าไปเหมาเพียงแค่ว่าถืออุโบสถศีลทีนี้ท่านจัดระดับของการประพฤติพรหมจรรย์เขาไว้เป็นสามระดับนะระดับต่ำที่เรียกว่าระดับต่ำก็คือ ป, ประการแรกก็คือว่าการทานทานในกุศลทือการให้ทานเนี่ยคือจัดอยู่ในขั้นของทานเวยาวจจะ วยาวจารนั้นก็หมายความว่าการช่วยเหลือในกิจที่เป็นกุศลด้วยความเต็มใจอย่างนั้นก็จัดว่าเป็นพรหมจรรย์ขั้นแรกนะหรือประการที่สามก็คือเบญจศีลการสมาทานศีลห้ารักษาศีลห้าอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์นี้เขาเรียกเป็นพรหมจรรย์ขั้นแรกระดับตำ่ำค่ะระดับต่ำนี่มีสามอย่างนะคะถ้าเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลาง คือระดับกลางๆ ก, ก็มีอภัมมัญยาสีอภัมมัญญาสีนั้นคืออะไรคือการเจริญเมตตารุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างกลางประการต่อมาคือสาธาในสันโดษหมายถึงผู้ที่มีคู่ครองทั้งหลายเนี่ยก็ยินดีเฉพาะคู่ครองของตนเองคําว่ายินดีก็คือว่าจิตนั้นน่ยไม่ ไม่ให้จิตของตนเองนั้นนะพลาดจากคู่ครองตนเองหรือไปยินดีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเองอย่างนี้เขาเรียกระดับกลงระดับมัชชิมาหรือระดับกลางประการต่อมาอย่างที่สามคือว่าเมถุนวิรัตนี่หมายความว่าเว้นเลยเว้นจากการมีคู่โดยประการทั้งปวงเลยเว้นจากการมีเมถุนธรรมแต่มีคุณธรรมทั้งหลายอ๋อถ้าคนที่ไม่แต่งาย่งนี้เขาเรียกว่า ประพฤติพรหมจรรย์ชั้นกลางดงนั้นบุคคลที่เขาไม่มีคู่ทั้งหลายเนี่ยแล้วจิตเขาก็ยินดีในเรื่องตรงนั้นด้วยอย่างนั้นเขาเรียกว่าท่านเหล่านั้นประพฤติพรหมจรรย์อยู่ก็ยังไม่ได้ในพรหมจรรย์ชั้นกลางก็ได้เป็นพรหมจรรย์ชั้นแรกอยู่ถ้าพรหมจรรย์ชั้นสูงสุดประการแรกก็คือวิริยะตะบะนั่นเองคือความเพียรเครื่องเผากิเลสให้เล่าร้อนความเพียรระดับสูงต้องอย่างนั้นเลยนะ แต่ถ้าความเพียรธรรมดาก็ดังที่ได้อธิบายมาในเบื้องต้นแล้วสูแล้วระดับที่สองก็คืออุโบสถเสียการสมาทานอุโบสถเนี่ยก็ค่อนข้างที่ก็ทําได้ยากพอสมควรมีเขาเรียกอุโบสถศสีลประการที่สุดก็คือว่าสมณะหรืออริยมัตมีองค์แปดคือการอบรมศีิสมาธิปัญญาโดยสรุปเขาเรียกว่ามัคคุรปมจันทร์นี่เลยเป็นที่สุดของการประพฤติพรหมจรรย์ แล้วก็ประการต่อมาคือศ า, าสานาศาสนพรหมจรรย์ที่ได้บอกบอกว่าดูก่อนมานี่พระเจ้าตรัสตราบใดที่ศาสนาของตถาคตยังไม่กว้างขวางคือยังไม่รู้ทั่วถึงไปยังพิกษูภิกจุนีอุบาสกและอุบาสิกาแล้วเนี่ยเราจักไม่ปรินิพานตราบนั้นอันนั้นหมายถึงศ า, าสานาศาสนาส่วนสัมณธรรมก็ดังที่ได้กล่าวที่ภาษารีบุตรตรัส บ, บอกแก่ พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมถ้าใครไปถามบอกว่าท่านมีประพฤติพรหมจรรย์ของใครก็บอกว่าเรานี่ประพฤติสมธรรมในพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หมายความว่าประพฤติธรรมธรรมของสมณะเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแนะนํำฉะนั้นพรหมจรรย์ชั้นต่ําเนี่ยหรือชั้นต้นนั้นน่ยพอเริ่มประพฤติพรหมจรรย์ก็บําเพ็ญทานถอนความห่วงใยห หงแหนเป็นต้นแล้วท่านก็จะสอนแค่อย่างว่าพระอาจารย์ชั้นต้นเนี่ยวันในเรื่องทานเนี่ยการจะให้ทานนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรหนึ่งให้โดยมือของตนเองไหมให้โดยความเคารพไหมแล้วก็มีความเชื่อในกรรมและผลของกรรมหรือไม่ถ้านในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นพระอจารย์ชั้นกลางก็เป็นการประพฤติปฏิบัติชั้นต้นให้เข้มงวดแล้วก็รัดกลมยิ่งขึ้น ก็ประพฤติปฏิบัติระดับกลางมีการเจริญเมตตาเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าพรหมจรรย์ชั้นสูงก็แปลว่าบุคคลนั้นน่ะมีความปรารถนาที่จะพ้นจากกองทุกข์ใช่ไหม <HS>. พิจารณาบอกว่าชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยปัญหามเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จิตก็มุ่งมั่นในอันที่จะปรารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกข์โดยประกาศแล้วทั้งปวง <ka. S 2> ก็ประพฤติพรหมจรรย์ชั้นสูงอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ในการประพฤติพรหมจรรย์ได้จะถามว่าแล้วจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรถ้าบอกว่าจุดมุ่งหมายของเ้าก็เพื่อที่จะตัดโลกิยะคือตัดเครื่องเยื่อใยทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมหมายถึงบุคคลที่ประพฤติพรหมจรรย์ชั้นสูงนะถ้าประพฤติพรหมจรรย์ชั้นขั้นแรกเนี่ยก็เพียงจะเพื่อว่า รักตนเองอ oh, ไม่ปราร <okay. S 2> ถนาตนเองให้ประสบปัญหาประสบทุกข์ก็ยังยกตัวอย่างเช่นว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยใช่ไหมว่าเราเกิดมาเนี่ยทําไมบางคนเนี่ยต้องหาแค่อย่างทรัพย์ภายนอกก็ต้องใช้วิช้การหาแบบทั้งเข้่งเคียตลอดเวลาหามาก็แทบไม่ได้หรือบางทีเนี่ยนะความเป็นอยู่เนี่ยแค่ว่าจะให้คนรักสักคนคนก็ปรารถนาดีกับเราสักคนเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามสูงมากอย่างนี้เป็นต้น ก็ไพิจารณาดูต้องเราเจริญกุศลมาน้อยแน่นอนก็หมั่นประกอบคุณความดีและเจริญกุศลเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขั้นต้นโดยสรุปก็คือว่า<ช>บุคคลที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยจะต้องประพฤติพรหมจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสําหรับบุคคลที่รักตนเองที่ถูกต้องทั้งหลายทําไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นโทษแก่บุคคลเหล่านั้นปไปทีนี้ถ้าจะถามว่าประโยชน์ใช่ไหมใช่ค่ะ ว่าประพฤติภมจรรย์แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินี่เป็นประเด็นที่จะต้องจะต้องศึกษาแล้วก็จะต้องทําความเข้าใจให้ดีของทุกอย่างนะี่ถ้าเรามาฟังแล้วเนี่ยโดยวัตถุประสงค์เมื่อจําเข้าใจแล้วเนี่ยถามว่าประโยชน์ที่จากการฟังหรือจากการเรียนจากการที่จะต้องมาฟังในเรื่องเนี้จะได้ประโยชน์อะไรหรือโดยเฉพาะว่า ถ้าถามว่าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ในอยู่ตรงไหนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้ง11ประการเนี่ทั้ง10ประการดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยชื่อว่าประพฤติที่ประเสริฐน่ยก็คือประพฤติสิ่งที่ดีเลิศชีวิตที่ดีเลิศก็คือชีวิตของพรหมจรรย์นั่นเองเป็นชีวิตที่ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลําดับไปลำตามลําดับของอะไรไปตามลําดับภูมิชั้นของจิตน ทำให้จิตปลอดโปร่งไม่มีความกังวลหรือหวาดระแวงใดๆมีอิสระที่จะบําเพ็ญความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาเรียกว่าทำให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือทําศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ของการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือว่าต้องการปรับวิธีคิดปรับ ข้อวัดปฏิบัติของตนเองนั้นให้พัฒนาสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่มองหรือไม่คิดเข้าหาพรหมจรรย์ว่าเป็นมงคล น, นั้นสูงสุดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราจะเสียหายฉะนั้นการที่ว่าประพฤติพรหมจรรย์นั้นน่ะท่านจึงแจกว่าเป็นมงคลคือเป็นเหตุให้เกิดความเจริญและเป็นคุณวิเศษนานานประการฉะนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นการยกระดับของตนเองให้ดีขึ้นใช่ไหม ลักษณะของพวกเราทั้งหลายก็คือว่าเรารักตัวเองปรารถนาให้ตนเองนั้นมีอะไรมีความสุขมีความเจริญใช่ไหมเมื่อเราปรารถนาความสุขความเจริญให้กับตนเองแล้วเนี่ยวิธีคิดที่ถูกต้องก็คือว่าหันเข้ามาศึกษาพรหมจรรย์ในภาษาสนานี้ว่าศรัทธาของเรานั้นพอจะน้อมเข้าในการประพฤติพรหมจรรย์ระดับไหนได้สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ระดับแรกได้ไหมขั้นแรกได้ไมืม hmm. ใช่ั้ม เช่นการให้ทานเนี่ยหรือถ้าให้ทานได้ไหมแค่จะสละแบ่งปันบ้างเนี่ยได้หรือไม่หรือประพฤติประโยชน์ใช่ไหมช่วยเหลือในกิจการที่เป็นกุศลด้วยความเต็มใจเนี่ยบัญญัตจัดใช่ไหนะคะเพราะโดยมากชีวิตของพวกเราก็จะต้องอะไรชีวิตของพวกเรานั้นก็จะต้องอยู่ด้วยการประพฤติประโยชน์ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอยู่ในบ้านเราจะประพฤติพรหมจรรย์อย่างไร อ้าเราอยู่เป็นบ้านฐานะเป็นแม่อ้าเราก็ประพฤติประโยชน์ให้กับผู้เป็นสามีบ้างผู้เป็นพ่อแม่ที่อยู่ร่วมบ้างใช่ไหมการประพฤติประโยชน์นะถามว่าเราประพฤติด้วยกุศลและจิตหรือไม่การประพฤติด้วยกุศลแลจิตอย่างนั้นเขาเรียกว่าประพฤติด้วยความเต็มใจใช่ไหมแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความทุกข์ใจอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการไม่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งทั้ที่เราจะเราจะทําประโยชน์นั่นแหละ สิ่งนั้นทํามาก็ทําเสร็จเหมือนจะถูบ้านเหมนจะกวาดหรือจะทํากับข้าวนี้เป็นต้นหรือจะไปเรียนอย่างนี้เป็นต้ น, อ ย, นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ใช่ไหมไปสงเคราอนุเคราะห์ใครก็แล้วแต่เงี้ยอย่างนี้ถ้าทําด้วยความเต็มใจด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างนั้นเขาเรียกว่าท่านผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์เห็นไหมในพื้นฐานของชีวิตจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะกระทําได้อถ้าหากว่าอยู่ในฐานะไหน แล้วก็ทําหน้าที่เหล่านั้นด้วยเต็มใจแล้ะด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างนั้นเขาเรียกว่าท่านผู้นั้นทําอะไรเระพฤทธพรหมจันทร์ <c oughs> อย่างนี้นนนเขาเรียกว่าประพฤติรพรหมจันทร์ฉะนั้นการประพฤติพรหมจันทร์นั้นจึงจัดว่าเป็นประโยชน์คือเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าเป็นประโยชน์คือเป็นอย่างนี้และถ้าเราเข้าใจไหมแม้แต่ชั้นต้นเนี่ยเราก็ท<อ>ําำมากเกิดประโยชน์แล้วถ้ามีศรัทธามากกว่านั้นก็ระดับกลางเจริญพรหมวิหารอภิมัญญาสี่แล้วก็เมตุนิรักคาช ถ้ระดับสูงก็ส่างความเพียรรักษาอุโบโสถอบศีลแลอบอมอริยมรักหรือประพฤติสมณธรรมเลยเข้าศึกษาคำสอนเลยอย่างนี้ อ, อย่างนี้เ้าเรียกว่าเริ่มใส่ใจอย่างสูงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพระมรรจันทร์นั้นถ้าถามพวกเราว่าในชีวิตของมนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยถ้าจะเว้นจากการไม่ประพฤติพรหมจรรย์เลยจะอยู่ในโลกใบนี้ อย่างมีความสุขและได้หรือไม่ยากนะคะใช่ไหมก็ต้องายากแล้วแต่คนนั้นจะรู้หรือเปล่าว่าที่คุณกําลังทำนั่นเป็นพรหมจรรย์นะคในพระศาสนาที่พระเจ้าตรัสไว้หรือจะรู้หรือไม่ก็อีกอย่างแต่ที่สุดจริงๆบุคคลเหล่านั้นถ้าประกอบไปด้วยประโยชน์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขากําลังประพฤติพรหมจรรย์แต่เขาประพฤติปฏิบัติด้วยความเต็มใจด้วยจิตที่มีศรัทธาได้มีจิตที่มีความมุ่งมั่น หรือด้วยจิตที่เป็นกุศลก็ชื่อว่าท่านเหล่านั้นกาลังประพฤ<ม>ติชมมีเป็นอย่างนั้นค่ะที น, น, ะนี้ในเรื่องของอมงคลอีกข้อหนึ่ง<ม>ของคาถาที่เก้านะคะเรื่องการเห็นอริยสัจค่ะเรื่องนี้เนี่ยหลายคนพอฟังแล้วก็คิดว่าเอ๊ะอย่างปุถุชนอย่างเราเนี่ยจะมีโอกาสเห็นอริยสัจมากน้อยแค่ไหนอ ย, อย่างไรอริยสัจที่ว่า มีกรอบกติกาถ้าเป็นบันไดจะไต่ขึ้นกี่ชั้นสี่ชั้นกี่ขั้นถึงจะมองเห็นอริยสัจขอรัตนาพระคุณเจ้าช่วยแถลงไขค่ะในในมงคลในมงคลเนี้นี่ที่ท่านตรัสว่าอริยสัจยานทัศนังการได้เห็นอริยสัจคือเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจทั้งสี่ในคาถาในมงคลข้อที่สในคาถาที่9ก้าเนี่ยคำว่าเห็นอริยสัจเนี่ย ก็ได้แก่การเห็นแจ้งแทงตลอดในทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรด้วยอริยปัญญานี่ยคำว่าอริยปัญญาหมายความว่าปัญญาที่เป็นอริยะหรือของพระอริยะทั้งหลายอย่างนี้เป็นการเห็นแจ้งที่เกิดขึ้นเมื่ออริยมรมีองค์แปดประการณานะประชุมพร้อมกันที่เขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญามาประชุมพร้อมกันแล้วเนี่ยทกิจในการทาลายกิเลสให้ขาดจากขัน ถ้าสันดานแล้วก็ตัดสังสารวัฏเกียรได้นี้จัดเป็นการเห็นอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมท่านจึงจัดว่าเป็นการเห็นที่ที่ยอดเยี่ยมมากเพราะคําว่าอริยะเนี่ยกับคาว่าสัจจะนั้นนี่ะอริอริสัจจะ น, นั้นเขาแปลว่าจริงแท้นะไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นอริยะก็แปลว่าปเปิดเสิฐก็หมายความว่าอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองท่านเห็นอริยสัจทั้งสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงอันทําให้ผู้เห็นนั้นนะ่ะเป็นผู้ประเสริฐหรือว่าเห็นสัจจะคือความเป็นจริงนะฉะนั้นความจริงของพ่ายญาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็สามารถที่จะทรงสแสดงแล้วเนี่ยอริยสัจนั้นนะ่ะหมายความว่าทุกเนี่ยโดยสรุปของความทุกเนี่ยหมายถึงอะไรทุ ก, ทกบางท่านท่านบอกว่าเป็นตัวปัญหา หรือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยค่ะอันนั้นเป็นสภาวะของทุกข์ถ้าทุกข์คาสมูไทยเนี่ยก็เรียกสาเหตุที่ทําให้ทุกข์เกิดอันนี้เป็นตัวตันหาความทยานอยากทุกข์คาณิโรธอันนั้นเป็นความดับทุกข์ความดับทุกข์อย่างนั้นเป็นพระนิพพานเป็สภาวะที่ดับทุกข์ดับปัญหาทุกอย่างเลยนีย่ทุกข์คณิโรธาคามินีปฏิบัตานี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อไป สู่ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ในการเห็นอริยสัจเนี่ยประการแรกที่บอกทุกข์เนี่ยที่เราเห็นกันมากก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยความขัดแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยที่เขาเรียกว่าสภาวะทุกข์ได้แก่ทุกข์ประจําขันหรือทุกข์ประจําสังขารเนี่ ย, เ, ยเห็นกันมากที่สุดก็คือชาติทุกข์ทุกข์คือความเกิดชาราทุกข์ ทุกข์เพราะความแก่เนี่ยมรณะทุกขทุกข์เพราะความตายเนี่ยสามประการนี่ที่เราเห็นกันมากเป็นทุกข์ใหญ่และทุกข์ประจําเลยเนะแต่ที่จรมาล่ะทุกข์ที่จรมาก็คือว่าประเภทที่โศกการความเศร้าโศกในขณะที่ใจเราเหี่ยวแห้งเนี่ยปริเทวะนี่การบ่นเพื่อลำพั น, นทุกขาก็คือไม่สบายกายเนี่นะโทมานัคือทุก น้อยใจไม่สบายใจอุปา ญ, ญาติความคับแค้นใจความตรอมใจความกลุ่มใจเนี่ยนะส่วนสัมประโยคะคือประจวบกระสินที่เกลียดชังมีความอาการที่เบื่อหน่ายวิประโยคะก็คือพัดภาคกระสิ่งที่รักทีนี้ไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการก็มีอาการผิดหวังหรือเสียดายทุกนี้เป็นของจริงล้วนแล้วแต่เป็นของทรมานทั้งสิน้นฉะนั้นเมื่อพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ท่านถึงสอนโดยสรุปลงก็คือว่า กุปาทานนขันเนี่ยเราเนี่ยมีอะไรบ้างในร่างกายของพวกเราทั้งหลายว่ามีกายกับใจทีนี้กายเป็นทุกข์เพราะอะไรถูกกระทบกระทั่งถูกบีบคั้นจากสิ่งต่างๆที่เป็นปฏิปักษ์ที่ทำให้รูปกายนั้นน่ะมีอันต้องวิบัติอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อกายถูกกระทบกระทั่งเป็นต้นแล้วเนี่ยกายนั้นก็เป็นทุกข์ ทีนี้ถ้าจิตเราถูกกระทบกระทั่งไปด้วยในขณะนั้นจิตเราก็เป็นทุกข์โดยสรุปก็คือว่าขันห้าเนี่ยเมื่อรวมแล้วก็คือกายกับใจย่อลงมาเหลือกายกับใจเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ท่านว่าเป็นตัวทุกข์ทีนี้ในเมื่อเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยวิธีดับทุกข์เนี่ยท่านไม่ให้ดับที่กายหระใจนะไม่ใช่ว่าเออมันทุกข์ตรงไหนจะทุกข์ที่ตาแล้วก็ทาให้ตาบอดไม่อย่างเงี้ย <laughs> ทุกข์ที่หูก็ทาให้หูหนวกเนี่ย หรือว่าทุกข์ที่มือ ต, ตัดมือเสียเนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นวิธีคิดอย่างนั้นวิธีเข้าใจอย่างนั้นหลายๆคนเขาใช้กันเยอะแล้วอย่างว่าเมื่อทุกข์ใจมากๆแล้วกังวลกวายใจตนเองผิดหวังก็ขาดตัวตายบ้างอะไรบ้างสารพัดเนี่ยวิธีคิดในลักษณะอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นการแก้ทุกข์ผิดวิธีเพราะเมื่อดจะดับทุกข์เนี่ยไม่ใช่ไปดับตัวผลแต่กายกับใจเนี่ยเป็นผลของอะไรเป็นผลของ ตัณหาเป็นผลของความอยากความทะยานอยากใช่ไหมเป็นผลของสมุทยัยก็เหตุให้เกิดทุกข์ท่านบอกว่าเรารู้ว่าเราเป็นทุกข์กายและทุกข์ใจได้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทําให้มีกายที่ทําให้มีใจเห็นไหมวิธีการตรงเนี้ท่านจึงสอนว่าให้รู้จากเหตุของเขาเนี่ยท่านก็เลยถาม ทุกขสมุทัยก็คืออะไรสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่เหตุที่ทําให้ทุกขเกิดนั้นก็คือความทยานอยากท่านเรียกว่าอะไรเรียกว่าตัณหาเขาเรียกว่าตัณหาค่อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าประการแรกที่บอกว่ากามมัตัณหาเนี่ยความยินดีพอใจในอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็คือยินดีพอใจในกามทั้งหลายนี่แห ล, <ส>ละถ้าในความยินดีพอใจในกามทั้งหลายถ้าพูดถึงในเรื่องกามเนี่ย ถ้าคนในทั่วๆไปก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมั้งหมายถึงกามการนี่หมายความว่าจะต้องไปปีอาการที่มีคู่ไหมหลายคนไปเข้าใจแท้จริงไม่ใช่คาว่าการมาคุณเนี่ยหมายความว่าอะไรไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่น่ารักน่าใคร่น่ า, นาพอใจอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราถามว่าบ้านใช่หไหมพอขยายไป นาเออยบ้านเอยเอยรถเออยทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นนี้เขาเรียกว่ากามคุณของเขามีไหมกรรมอ่ะนี่ทําไมไม่มีคุณของเขาก็คือว่าปราถนาแล้วได้ใช่ไหมใช่แล้วปรารถนาเงินได้เงินปรารถนารถได้รถปราถนาบ้านได้บ้านปราถนาที่ดินได้ที่ดินอันนั้นคุณของเขาแล้วก็ให้ความสะดวกสบายนั่นคือคุณของเขาให้สุขให้สมณะให้ปีติให้ความอิ่มใจ และโทษนะคะโทษของเขาก็คือว่าถ้าเขาเปลี่ยนถ้าเขาวิบัติถ้าเขาเปลี่ยนแปลงเพราะเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาเป็นอนาาัตตาเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนนั้นคือโทษของเขาค่ะ<ฆ>ถึงบอกว่าวิธีการศึกษาคําสอนหรือการมนุษการการคิดเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยเขาจะต้องหาทรัพย์สมบัติกันทั้งวันค่<ฆ>ใช่ไหมเกิดมาแล้วมางคลเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพเติมขึ้นมาตีสีก็ต้องลุกแล้ว ใช่ใชขึ้นรถเมลบ้างรถส่วนตัวบ้างหรือบางคนก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์บ้างบางคนก็ีนั่งแท็กซี่แล้วก็ว่ากันไปสรุปแล้วก็รีบอะไรรีบไปหาเงินรีบไปหาทรัพย์รีบแสวงหารีบทำมาหากินกันเพื่ออะไรเพื่อการใช่ไหมทีนี้ทำได้ก็เกิดสุขท่านที่ว่าไอ้สุขเนี่ยมันมีนิดเดียวเหมือนน้ำค้างอยู่วนยอดอยอดค้างเดี๋ยวมันก็หมด ทีเนี้ยถ้ามันมีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันสลายมันจะต้องมีการวิบัติไปนั่นก็เป็นโทษของเขา<ะ>ถ้ารู้อย่างนีเสียเนี่ยวิธีหาก็จะหาแบบไม่ประมาทใช่หมบุมคคลที่เรายังออกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เราก็สร้างความไม่ประมาทแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตที่จะต้องอยู่แต่ว่า สิ่งที่จำเป็นมากกว่านั้นคือวิธีเข้าใจวิธีคิดที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้เราจะคิดต่อสิ่งนี้อย่างไรคือไม่ประมาทต่อสิ่งนี้อย่างไรแล้วก็จะทำให้กุศลเกิดขึ้นในสิ่งในการเห็นในการบริโภคในการใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรไอ้วิธีคิดวิธีฝึกฝนตรงนี้ต่างหากที่เราในฐานะที่ศึกษาคาสอนรือฟังคาสอนแล้วจะต้องไปมนสิ ก, การและคิดและพิจารณาให้ดี พระอาจารย์คะได้ทราบเรื่องทุกขสมุทัยที่นี่เหลือนิโรธว่าในเรื่องของการเห็นอริยสัจเนี่ยถ้ า, าส่งเพาะลงในนิโรธแล้วก็มรรคเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะคือเกี่ยวในเรื่องของจิตที่เข้าถึงนิโรธก็คือจิตที่ดับตัณหาคลายจากความกำหนัดแค่จิตได้สัมผัสพระนิพานพานอสภาวะที่จิตเข้าถึงนิโรธหรือเข้าถึงพระนิพพานนั้นน่ยต้องเป็นจิตของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย จิตของบุคคลที่ได้สัมผัสพระนิพพานก็แปลว่าได้รู้จักสภาวะธรรมที่พ้นจากสังขารพ้นจากขันและพ้นจากโลกได้เมื่อสามารถได้สัมผัสหรือทําจิตของตนเองให้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยก็ชื่อว่าบุคคลนั้นน่ะได้สัมผัสธรรมที่พ้นจากกองทุกข์คือในชีวิตประจําวันของพวกเราในโดยมากเราคิดกันง่ายๆก็คือคิดอย่างไร เราจะคิดเข้าไปหาในเรื่องของทรัพย์สมบัติบ้างแจ้าแหวนเงินทองเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าคิดยังไงก็ไม่พ้นจากโลกไม่พ้นหรอกเหมือนเราจะคิดไปอยู่ดาวดวงนี้อยู่โลกใบนี้เราก็อยากจะไปดาวดวงอื่นโลกใบอื่นมันก็ยังไม่พ้นจากโลกอยู่นั่นเองค่ะหมือนเราจะย้ายครอบครัวจากประเทศนี้ไปอีกประเทศหนึ่งก็ยังไม่พ้นจากโลกใบนี้หรือยังไม่พ้นจากโลกหรือมังไม่พ้นจากคำที่ข้องหรือติดอยู่ในโลก ถึงบอกวิธีคิดของพวกเราคิดวนไปวนมาก็อยู่ในไหนอยู่ในรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างหรือคิดในธรรมมารมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจเราแล้วก็จะพัวพันอยู่หกกเรื่องตรงเนี้เห็นไหมจิตของเราจะผัวพันติดหห้องขัดกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยจิตของพวกเราหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้ไปได้สัมผัสสภาวะธรรมที่พ้นจากเลย พ้นจากขันพ้นจากอายตนะพ้นจากโลกเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าจิตของท่านเหล่านั้นได้สัมผัสพระนิพพานคือสภาวะธรรมที่พ้นจากกองทุกข์นี่เป็นอย่างนี้จิตของบุคคลใดก็แล้วแต่ได้สัมผัสอย่างนั้นเป็นครั้งแรกอย่างเนี้ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าท่านเหล่านั้นเป็นอะไรเป็นโสดาบันใช่ไหมถ้าได้มาสัมผัสเป็นครั้งที่สองนี่เป็นพระสกาธาครามนี้เป็นตัว ลักษณะาการไปสัมผัสแต่ละครั้งเนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับท่านคืออย่างไรคือกิเลสท่านหลุดใช่ไนมก ข, ขั้นกิเลสเนี่ยขาดจากขันธ์ไปเลยยกตัวอย่างเช่นว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยศรัท ธ, ธาในพระศาสนาศรัท ธ, ธาในคําสอนศรัท ธ, ธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยของพวกเราเนี่ขึ้นลงใช่ไหมจ๊ะวันนี้เป็นอย่างนี้อีกวันก็ท้อยเนี่ย ยังเอาแค่ว่าแม้บางทีบางคนจนะตั้งมั่นเลยนะบอกจะสมาทานสี่ห้ า, นะาอนี้เพื่อนเพื่อนบอกว่าเอ๊ะวันพรุ่งนี้มีกินเลี้ยง <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะเราบอกเอ๊ะบอกกินเลี้ยงนี่จะต้องมีอะไรอีกหลายเรื่องเลยเนะี่ยที่เกี่ยวกับการผิดศีลเนี่ยนะเราก็บอกโอ้ถ้าอย่างนี้วันนี้ไม่เป็นไรขอพักไว้ก่อนไอ้ที่เห็นไหมที่เราตั้งใจบอกไว้ว่าจะสมาทานก็เสียหาย <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้ ทีนี้ถ้สงเคราะห์ลงในมัคแล้วคะนี่นี้หมายความว่าการเห็นแล้วกิเลส<ะ>เขาหลุดใช่ไหม<ะ>ทีนี้ถ้าถามว่าทุกขันนิโรธคาไม่นีปฏิปทาเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติเนี่ยที่ให้พ้นจากกองทุกหรือทางปฏิบัติเนี่ยที่ให้พ้นจากความดับทุกได้อันนั้นก็คือการอบรมทำอริยมรรคยงแปดประการให้เกิดขึ้นมัคนั้นมีสองระดับโลเกียมัค ก, กับโลกุตระมัค ถ้าโลกียมากก็หมายความว่ามากอริยมากหรือโลกียมากก็หมายความว่าสัมมามักทั้งหลายเนี่ยก็หมายความว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกเห็นตรงทั้งหลายนี่นะเช่นไปเห็นว่าคุณบิดามารดาเห็นว่าการให้ทานการรักษาศีลการอบรมเจริญภาวนาเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำ เห็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกิยะเป็นโลกิยะเป็นการเห็นในชั้นพื้นฐานที่จะต้องปรึกซึ่งในชีวิตประจาวันของพวกเราทั้งหลายก็คือว่าทำยังไงจะทำวิธีคิดที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นน้อมจิตเข้าหาความคิดที่ถูกให้ได้นะให้เห็นชอบเพราะอะไรรู้ไหมจิตเราเนี่ยเคยน้อมเข้าหาสิ่งที่ผิดๆกันม า, มามากแล้วค่ะ ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาหรือสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นเนี่ยโดยมากเนี่ยจะเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราคิดไปในทางที่ค่อนข้างที่ผิดอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในสังคมบ้านเมืองเราเนี่ยถามว่าอั น, นบางยุคบางสมัยเนี่ยถ้าหากมีข่าวสารอะไรดังๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กๆก็จะตามกันยัง่ไงม ใ, ใช่ไห เช่นว่ามีการทะเลาะบอแวงกันเกิดขึ้นมาก็จะตามลุกลามกันไปจะทั่วประเทศจะทั่วโลกมีอะไรต่างๆกิมีการมีดาราสักคนหนึ่ง <c oughs> มาทําอะไรมาแต่งตัวยังไงขึ้นมาก็จะลุกลามลักษณะอย่างนี้เราจะตามสื่อตามสิ่งที่ไม่รู้ผิดรู้ถูกยังไงแล้วก็ตามกันอย่างนี้ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกคนที่ไม่มีสัมาทิฏฐิเนี่ยก็จะคิดไปตามก็จะน้อมไปในลักษณะอะไรมาก็ได้ดีมาก็น้อมก็ไปหาดีเสียมาก็น้อมก็ไปหาเสียแต่ว่าถ้าหากเป็นสัมาทิฏฐิแล้วเนี่ยจิตของท่านเหล่านั้นก็จะแข็งแรงแข็งแรงคือแข็งยังไงเหมือนกับขนไก่ขนนกที่โดนไฟแล้วก็จะงอกระงอกระนะคนที่เป็นสัมาทิฏฐิชั้นพื้นฐานเนี่ย เขาเทียวว่าอะไรนะความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าแล้ววิธีคิดของเขาเห็นไหมความชั่วทางกายทางวาจาทางใจแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็ไม่ทำเสีเลยดีกว่าลักษณะ น, นี้เขาเรียกเริ่มงการคิดถูกค่ะนั้นการคิดถูกเป็นประการแรกขององค์มรรคเบื้องต้นนี่คือเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะอบรมและควรจ ะ, จะเจริญ ม, มีเป็นอย่างนี้การท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะเวลาสําหรับบริการสนทนาปัญหาธรรมะก็หมดเวลาแล้วลวคะค่ะสําหรับวันนี้ ดิฉันวรรณการข่าวลาบพระอาจารย์ปลัดสมทบประกะโมวัดกลางบางปลามาสุพันบุรีจากลาท่านไปก่อนขออนุโมทนาค่ะ